ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำเนิมบำรุงดูแลรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความดีงามทั้งหลายด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเพราะการคิดดีพูดดีทำดีมีคุณมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผดดู้ ตอนเองก็มีความสุขใจสบายใจผู้อื่นก็จะได้รับสิ่งที่ดีจากการพูดจากการกระทำของเราอย่างวันนี้ญาติโยมก็คิดดีพูดดีทำดีจึงได้มาที่วัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายใจและผู้ที่ได้รับสิ่งการกระทาของเราก็คือเขาก็มีความสุขใจเช่นพระภิกษุที่ได้รับเข้าของต่างๆได้รับข้าวปลาอาหารก็จะได้รับความสุขจากการกระทาของญาติโยมเนวันนี้ นี่เป็นผลที่เกิดจากความคิดดีพอคิดดีแล้วก็จะพูดดีทำดีพูดดีก็คือชวนเชิญ ญ, ญาติสนิทมิตสหายให้มาร่วมทำบุญกันทำดีก็คือการเตรียมข้าวของต่างๆแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดแล้วก็นดังมาถวายพระ อังที่ท่านได้กระทำกันนี่แหละเป็นการกระทำที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ใจใจเราจะเจริญได้ต้องเกิดจากการคิดดีพูดดีทดําดีถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีคือเราช่วยเหลือผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือมีฐาน และมีศีลทานก็คือการช่วยเหลือสองเคราะห์ผู้อื่นด้วยข้าวของต่างๆศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเรามีคุณธรรมสองประการนี้ใจของเราก็ได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะที่สูงขึ้นกว่าการเป็นมนุษย์ก็คือได้เป็นเทพคุณสมบัติของเทพก็คือมี มีทานและมีศีลแล้วถ้ามีสมาธิทำจิตใจให้สงบได้ก็จะ้าวขึ้นไปสู่ขั้นพรมแล้วถ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีหรือร่างกายก็ดี เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในใจก็ดีถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนคือเป็นสภาวะธรรมไม่มีบุคคลอยู่ในสภาวะธรรมเหล่านี้ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกาย ไม่มีบุคคลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภไม่มีบุคคลอยู่ในเวทนาความรู้สึกสังขารความคิดปุ่งแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นแรกขึ้นไปคือพระโสดาบัน ขึ้นไปสู่ขั้นสกิดาคามีอนาคามีและพระอรหันในที่สุดถ้าเป็นพระโสดาบันภพชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจิตจะไม่ตกไปสู่อบาย จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าสามารถปฏิบัติสูงขึ้นไปขนถึงขั้นที่สองคือขั้นพระศกิจดาวาเีก็จะเหลือพบชาติเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็จะบรรลุทำขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลําดับถ้าได้บรรลุเป็นพระอนาคามี แล้วต้องตายไปก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอารหันต์เวลาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมและปฏิบัติธรรมในสวรรค์ชั้นพรหมจนบรรลุเป็นพระอารหันต์ถ้าได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ในชาตินี้เลยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดติดต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ กับเรื่องราวต่างๆเช่นจิตของพ่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วแต่การไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าสูญหายไปไหนก็ยังมีจิตเหมือนเดิมแต่มีจิตที่ได้พบบ้านที่แท้จริงของตนบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยเหมือนกับเราสร้างบ้านแล้วมีสิ่งต่างๆอำนวยความสุขความสะดวกให้กับเราทุกอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านต้องออกไปเสี่ยงภัยกับอันตรายต่างๆ <Yeah. S 1> นี่คือผลที่เกิดจากการที่เราได้คิดดีพูดดีและทำดี yeah. เราจึงควรที่จะพยายามคิดดีพูดดีทำดีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเหตุที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีได้นั้นก็คือมีคุณธรรม4ี่ประการด้วยกันคือพรมวิาหารสี่คือเมตตากรุณามุริตาและอุเบกขาเมตตก็คือความคิดปรารถนาดี ต่อผู้อื่นคือการมีไมตรีจิตมองผู้อื่นเป็นเมิตไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีอะไรก็ตามใส่เสื้อสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาความเมตตาจากผู้อื่นเหมือนกับเราเราก็ปรารถนาความเมตตาเราไม่ต้องการความโหดร้ายความทารุณ ความเกลียดชังจากผู้้นฉันใดเราก็ไม่ควรที่จะให้ความเกลียดชังความโหดร้ายทารุณแก่ผู้นเราควรมีเมตตาคือความปรารถนาดีเช่นปรารถนาให้ผู้ น, นั้นไม่มีเวรมีกรรมก็หมายถึงว่าเราไม่จองเวรจองกรรมกับเขา ถ้าเราไม่จองเวรจองกรรมเขาก็จะไม่มีเวรจากเราสัพเทสัตตาอเวลาผลตุขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นกายทิ่ขอให้เขามีแต่การไม่มีเวรคือเราจะไม่จองเวรกับเขา ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราทำให้เราเสียหายอย่างไรทำให้เราเจ็บช้ำน้ําใจอย่างไรใจของเราถ้ามีเมตตาแล้วจะไม่จองเวรจะไม่อาคตาพยาบาทจะไม่โกรธเคืองเพราะนี่คืออำนาจของเมตตาบรารมีถ้าเราพยายามเจริญไปเรื่อยๆแล้วต่อไป ใจของเราจะไม่ถูกความเครียดแค้นซึ่งเป็นเหมือนไฟนรกมาเผาใจเราใจเราของใจเย็นสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตางเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใครจะด่าเราใครจะทำร้ายเราเราจะให้อภัยเราจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองถ้าเรามีเมตตา เมตานี้นอกจากไม่จองเวรแล้วท่านก็สอนว่าไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดปนเท็จนี่คือความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาแล้วจะไม่ทําร้ายผู้อื่วด้วยวิธีการเหล่านี้มีแต่ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและ ไม่มีความทุกข์ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆการเจริญเมตตานี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันเวลาที่เราไหว้พระสวนมนต์ แล้วเราก็สวดสัเปสัตตาเวราหนตุสัเปสัตตาอบายาปชาหนตุนี่เป็นการสอนใจเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาที่แท้จริงเวลาที่จะแผ่เมตตานั้นต้องเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์เช่นเวลาที่เราพบปะกับคนแล้วเราต้องรับรู้การกระทาของเขา เขาด่าเราอย่างนี้เราก็ต้องสัตเพสัตตาเอาเวลาหงุดไม่ใช่ไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาเราต้องให้อภัยไม่จองเวรไม่ไปทุบตีไม่ไปทําร้ายเขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดนั้นยังไม่เป็นการแผ่เป็นการทําการบ้านถ้าเป็นเหนือนนักมวยก็ยังชคกระสอบทรายอยู่ ยังไม่ได้ขึ้นเวทีพอเราขึ้นเวทีแล้วนี่แหละเราต้องชกจริงๆแต่คู่ต่อสู้ของเราไม่ใช่คนข้างนอกแต่เป็นคนข้างในก็คือคนที่กำลังโกรธคนที่กำลังเกลียดคนที่กำลังแค้นคนนี้ที่เราจะต้องชกเขาเราต้องทำลายเขาให้ได้เขามีอยู่ในใจเราเวลาที่เราต้องไปสัมผัสกับ เรื่องราวที่เราไม่ชอบ อ, อกชอบใจเราจะเกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมา ท, าทันทีจะโกรธความรู้สึกโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกัรเราต้องรีบนำเอาเมตตาออกมาแผ่ ท, ทันทีสัพเพสัตตา ท, าทันทีสัตทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่มีเวนกับใครทั้งสิ้นเราจะให้อภัย นี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆในขณะที่เราขึ้นเวทีไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวสวนมนแผ่อย่างนั้นแผง่ายแต่ยังไม่ได้เป็นของจริงของจริงนี่ต้องเวลาที่เจอคนแล้วเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีเราอย่าไปโกรธเขานี่คือการ มีความเมตตาเราต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาเจอใครเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเราอย่าไปโกรธเขาเราต้องทำใจให้เฉยให้ปล่อยวางให้คิดดีกับเขาคิดว่าเขายังโง่ อ, อยู่เขายังไม่ฉลาดอยู่คิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กถ้าเรามองเขาเป็นเหมือนเด็กทารก เราก็จะให้อภัยเขาได้เราก็จะไม่โกรธเขาเวลาที่เราเลี้ยงเด็กเด็กเวลาเขาทำอะไรที่ไม่ถูกเช่นปัดเสวะอุจจาระโดยที่ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้เรากลับไม่โกรธเด็กเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กเขาไม่รู้ภาษีภาษาคนที่พูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นเหมือนเด็กทางกทางด้านจิตใจ คือร่างกายเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่มีอายุมากแล้วก็ตามแต่ถ้าการกระทำของเขานี้ทําไม่ดีพูดไม่ดีแสดงว่าใจของเขานั้นเป็นเหมือนทารกไปโกรธทารกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาไม่รู้ภาษีภาษาเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้จักมองคนมองที่ใจเขาอย่าไปมองที่ร่างกายของเขา ร่างกายของเขานี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจของเขาอาจจะเป็นเด็กทารกกรไดาษเพราะเขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราไปโกรธไปเกลียดเขามันก็ทำให้เราร้อนไปตปล่าๆทุกไปเป่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่เพราะเขาไม่ได้รับการพัฒนา ใจของเขาไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้เข้าหาพระศาสนาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเขาก็จะเป็นแบบโลภโมโทสันเขาจะไม่สนใจที่จะมาขัดเกลาจิตใจของเขาให้ดีขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าการขัดเกลาจิตใจนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจอย่างมาก การไม่โกรธกับการโกรดนี้อย่างไหนดีกว่ากันเวลาโกรธนี้เหมือนกับเอาไฟมาเผาใจเราเองเวลาไม่โกรธนี้เหมือนกับเอาน้ามาดับไฟภายในใจนี่คือเรื่องของของดีและไม่ดีเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นกับตามราปัดกัน เราจะเห็นว่าการโกรธการอาฆาตพยาบาทดีเหมือนคนในโลกทั้งหลายเขาเห็นกันฟันต่อฟันใครทำอะไรเราแล้ ว, ลวเราต้องตอบแทนเขาให้สมแก่ใจของเราแต่เราไม่เห็นโทษที่จะตามมาเพราะมันจะเป็นการจองเวรจองกรรมกันไม่รู้จักจบจากสิน้นเขาทำเราแล้ ว, ลวเราไปทำเขาเขาก็จะต้องกลับมาทำเราเอีก เราก็ต้องกลับไปทําเขาอีกแล้วเราก็ต้องมาอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่อย่างไม่สงบอยู่อย่างไม่ปกติแต่ถ้าเขาทําเราแล้วเราไม่ทําเขาเราให้อภัยเขาเราก็จะอยู่อย่างปกติเพราะเราไม่หวาดกลัวเพราะเราไม่ได้ไปทําเขาเขาต่างหากที่จะต้องหวาดกลัวทั้งๆ ท, ที่เราไม่คิดที่จะไปทําอะไรเขาเลยแต่ใจของเขานั้นกลับ เป็นทุกข์เป็นทรมานขึ้นมาบางครั้งถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะความกลัวก็มีทั้งๆ ท, ที่คนที่ถูกทานั้นไม่ได้คิดโกรธเคืองหรือคิดแก้แค้นอาฆาตพยาบาทแต่อย่างใดแต่การที่เราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วมันจะเป็นเหมือนสร้างแผลขึ้นมาในใจของเราเป็นเหมือนวัว ส, ส, สังหลังหัว มันจะมีอาการเจ็บปวดทุกทรมานใจอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งถึงกับทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีอย่างพร ะ, พระเทวทัตนี่ก็เช่นเดียวกันพยายามรอบตรงพระชนพะพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จจิตใจก็มีความกลัวความหวาดระแวงจะต้อง ถูกทำลายเนื่องจากไปรอบวงพระชนก พ, พุทธเจ้าจนถึงทนไม่ได้ต้องมากลับทูลขออภัยจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะถูกแผ่นดินสูบไปนี่คือเรื่องของการอาฆาตพยาบาทการคิดไม่ดีคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายต่อผู้อื่นจะทำให้เกิดความทุกข์ เกิดความทรมานใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องพยายามเจริญเมตตาให้ได้เพราะจะดับความอาฆาตพยาบาทดับการจองเวรจองกรรมได้ดับการกระทําที่ชั่วร้ายได้ด้วยความเมตตาส่วนคุณธรรมข้อที่สองที่เราควรเจริญก็คือความกรุณาก็คือ ความปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ถ้าเราเห็นผู้ใดมีความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้มากน้อยตามกําลังก็ขอให้เราช่วยกันอย่างเรามาช่วยพระภิกษุวันนี้มาช่วยวัดเพราะวัดนี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ต้องอาศัยการช่วยเหลือของญาติโยม พระภิกษุจะอยู่ได้อย่างปกติสุขก็ต้องมีญาติโยมคอยทำานบำรงใส่บาตรถวายจจตุปัจจัทยทานต่างๆนี่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือถ้าไม่ช่วยเหลือพระช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ได้เวลาที่เขาเดือดร้อนเวลามีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีภัยต่างๆ แล้วคนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารไม่มีผ้านุ่งหม่มเราก็ต้องช่วยกันพอที่จะมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นความกรุณาคือเราจะไม่ดูดายนั่นเองเห็นคนอื่นก็เดือดร้อนจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเรา มันเป็นบุญของเราเรามีโอกาสได้ทำบุญถ้าของไม่เดือดร้อนของไม่ทุกข์เราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญเราต้องเห็นว่าการเดือดร้อนของผู้อื่นนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีสาหรับเราเพราะเราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญนั่นเองก็คือได้ช่วยเหลือได้สงเคราะห์ให้ผู้อื่นนั้นเขาหมดทุกข์ แลวการได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบใจอย่างที่ญาติโยมได้มาช่วยเหลือพระภิกษุในวันนี้นํากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระให้พระได้มีอาหารรับประทานอย่างอิ่มหนํำสำาสําราญเราก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขใจอย่างวันก่อนก็ได้ไปบิณฑบาต และได้คุยกับญาติโยมได้ชมเขาว่าเขาเป็นเศรษฐีเขาก็กลับพูดว่าหลวงพ่อต่างหากที่เป็นเศรษฐีเราก็ตอบกลับไปว่าเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรในเมื่อเราต้องมาขอขอทานจากญาติโยมมาขออาหารจากญาติโยมไปรับประทานเขาบอกว่านี่ไม่ได้เป็นการขอทานเพราว่าเป็นการโปรดสัตว์ เพราะทำให้เขาได้มีความอบอุ่นใจเวลาที่เขาได้ทำบุญเขาได้ตัดบาตแล้วเขามีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีความสบายใจนี่ก็คือความกรุณานั่นเองญาติโยมที่ใส่บาตรทุกวันนี้ก็ถือว่ากำลังเจริญกรุณาทำให้จิตใจนี้มีความมีความสงสารผู้อื่น มีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากขวาญทุกข์แล้วถ้ามีความสงสารแล้วก็จะมีความเมตตาเพราะจะไม่คิดร้ายกับผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบจองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นใจที่มีความเมตตาก็จะเป็นใจที่น่ารักจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทพทั้งหลายผู้ที่มีเมตตานี้ จะอยู่ที่ใดก็ตามจะมีเทพคุ้มครองจะมีผู้คอยช่วยเหลือตลอดเวลานี่คือเรื่องของความเมตตาและความกามนาส่วนคุณธรรมข้อที่สาม <c oughs> ก็คือมุติตาคือมีความชื่นชมยินดีกับความสุขของผู้อื่นเมื่อมือเมื่อกี้นี้เรามีความห่วงใยมีความสงสารกับความทุกข์ของผู้อื่น เราต้องการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องมีมุดิตาคือเราต้องมีความชื่นชมยินดีไปกับความเจริญก้าวหน้ากับความสุขของเขาไม่ใช่ไปมีความอิจฉาริสยาเพราะความอิจฉาริสยานี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่จะทำให้เกิด ความทุกร้อนใจขึ้นมาจะทำให้เกิดความทรมานใจขึ้นมาถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีความอิดชาหรือเสเราควรที่จะใช้มุติตามาดับเวลาใครถึงแม้เราจะไม่ชอบเขาถ้าเขาได้เจริญก้าวหน้าได้ดิบได้ดีเราอย่าไปอิจฉาอย่าไปริษยา เราพยายามควรจะมองเขาว่าเขาก็เหมือนเราทุกคนก็ปรารถนาความสุขและความเจริญและเมื่อเขาได้พบกับความสุขความเจริญแล้เราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีไปกับเขาเพราะการชื่นชมยินดีนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขไปด้วยนั่นเองถ้าเราไม่ชื่นชมยินดีมีการอิจฉารุยา ก็จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาไปต่อๆโดยใช่เหตุคนอื่นเขาเจริญก็เรื่องของเขาอยู่แล้วเราไม่ควรที่จะไปอิจฉาลิษยาเพราะเราก็ไม่สามารถไปไปยับยั้งความเจริญของผู้อื่นได้ความสุขของผู้อื่นได้แต่เวลาที่เรามีความอิจฉาลิษยาเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราเอง ดังนั้นเราจึงไม่ควรมีความอิจฉาลิสยาอยู่ภายในใจของเราใครเข้าได้ดิบได้ดีใครเข้าร่ำรวยใครเข้าได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นดีขึ้นใครที่มีความสุขมากขึ้นเราควรจะมีความมุติตากับเขามีความชื่นชมยินดีแล้วเราจะได้ไม่คิดร้ายนั่นเองถ้าเรามีอิจฉาลิสยาแล้วเราจะคิดร้าย เราจะคิดหาวิธีทำร้ายเขาหาวิธีขัดขวางความสุขและความเจริญของเขามันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนไร้ความเมตตาไร้ความกรุณาเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปเป็นคนที่มีือ่คนร์เปืียนชัง เป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเรื่องของมุติตาจิตเราต้องมีความชื่นชมยินดีต่อความสุขและความเจริญของผู้อื่นเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเราจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขากระตา่างขอให้เรามีมุติตาจิตต่อเขาเถิดเพราะ มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเรามากกว่าเป็นประโยชน์กับเขาเพราะจะป้องกันความคิดที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราจะทำไม่ให้เราต้องไปคิดร้ายกับเขาและไปพูดไม่ดีหรือไปทำลายเขาต น, นเองนี่คือมูติตาจิตส่วนข้อที่สี่ก็คืออุเบขาอุเบคาก็คือตามทำใจให ปล่อยวางให้เฉยๆาะในชีวิตของเรานี้บางทีเราจะต้องไปประสบ ก, กับสิ่งที่เราไม่ชอบประสบ ก, กับเหตุการณ์ที่เราไม่ไม่อยากได้ไม่อยากจะเจอแต่เมื่อเจอแล้วเราก็ต้องรู้จักทำใจคือทำใจให้ปล่อยวางเราอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็อยากไปเสียใจอย่าไปโกรธ เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรความเสียใจก็ทำให้เราเดือดร้อนความโกรธก็ทำให้เราเดือดร้อนเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคือยอมรับความจริงว่าอยู่ในโลกนี้ก็มีเวลาที่เราจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่ถึงปรารถนาไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการเสมอไปบางเวลาเราก็ได้ บางเวลาเราก็ไม่ได้เมื่อเราไม่ได้เราก็ต้องทําใจบางเวลาเราต้องสูญเสียเราก็ต้องทําใจเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักที่เราเข้ารบไปเราก็ต้องทําใจเมือคนที่เรารักคนที่เราเค้าลบนั้นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายจะต้องตายไปอย่างนี้เราก็ต้องทําใจ อย่าไปเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจของเราจะทำให้ใจของเราคิดไม่ดีจะทำให้เราพูดไม่ดีและทำไม่ดีแล้วจะต้องมาเสียใจในภายหลังอีกต่อไปถ้าเราทำใจให้เป็นโอเดสหาได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ดี เลือกเกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็ดีเราจะรู้สึกเฉยๆเราจะไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุดถ้าเราไม่สามารถทำใจได้เวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะเสียหลักและอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปอาจจะคิดทำร้ายชีวิตของเราเองก็ได้ เพราะว่าเราไม่รู้จักสวดทมใจให้เป็นอุเบกขานั่นเองการทำใจเป็นอุเบกขานั้นก็ทาได้สองลักษณะวิธีหนึ่งก็คือการทาพุทธทำสมาธินั่นเองนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าคิดเรื่องอะไรต่างๆให้ใจลืมเรื่องราวต่างๆใจก็จะสงบจะปล่อยวางได้แต่เป็นการปล่อยวางชั่วคราว ถ้าอยากจะปล่อยวางอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อต้องเจริญบทธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญว่าศัตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลขอ ง, ของกรรมนั้นดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับเราหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่เรารัก เราก็ต้องใช้ปัญญาปองว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมทำบุญมาก็จะได้ผลดีทำบาปมาก็จะต้องได้ผลร้ายเวลาที่ชีวิตเราจเจริญนุ่งเรืองก็เถอะว่าเป็นานิสงของบุญที่เราได้ทำมาเวลาที่ชีวิตของเราตกต่ำก็ขอให้เือว่าเป็นเรื่องของกรรมที่เราทำมาเป็นเรื่องของบาปที่เราทำมา ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นอุเบกขาเราก็จะยอมรับกับสภาพของเราแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานใจรวยก็อยู่ได้จนก็อยู่ได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแล้วเราก็จะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเราจะไม่โทษคนอื่นว่าทำให้เราตกต่บและเราจะไม่ไปคิดทำร้ายเขาไม่คิดจะไปด่าเขานี่คือ คุณธรรมสีประการด้วยกันที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญให้มีอยู่า ใ, ในใจของเราเพื่อจะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีและเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้คือเมตตาจรุณามุติตาและอุเบกขา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 แควคาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ